การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรู้ส่งเห็นผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความเพียรพยายามเป็นอย่างมากจะต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างสุดกำลัง ถึงจะสามารถเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบได้การที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั้นก็จำเป็นต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของผู้ปฏิบัติคือในขณะปัจจุบัน ว่าจิตใจของตนเองเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้บรรลุรมขั้นต่างๆแล้วว่าจิตใจนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราเห็นความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราเราก็จะมี กำลังใจที่จะปฏิบัติที่จะทุ่มเทความภาคเพียรความพยายามให้แก่การปฏิบัติปัจจุบันจิตใจของพวกเรายังถูกคุกคามด้วยความทุกข์ต่างๆหลายรูปแบบด้วยกันเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากการตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนากันความทุกข์เหล่านี้คุกคามจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแทาจะไม่มีวันไหน ที่จิตใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลยมีต่างกันตรงที่ว่ามีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองแต่การที่จะบอกว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความไม่สบายใจเลยนั้นเป็นไปไม่ได้นี่คือสภาพของจิตใจของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมแล้ว ความทุกข์ต่างๆจะค่อยๆหายไปตามลําดับตามกําลังของผลที่ได้บรรลุถึงความทุกข์ต่างๆนี้จะลดน้อยถอยลงไปไเรื่อยๆความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลาดจากกัน ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาะความทุกข์ที่เกิดจากการต้องไปพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาะจะลดน้อยลงไปตามลาดับและหมดไปได้ในในที่สุดถ้าเราเปรียบเทียบผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วมันก็จะทำให้เรามีกําลังใจ ที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเวลามีโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและทางจิตใจแต่พอได้ไปรับการรักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้ว อาการทุกข์ทางร่างกายและจิตใจก็จะหายไปผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจึงยินดีที่จะเข้าโรงพยาบาลกันถ้าปกติแล้วถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนีย่ก็จะไม่มีใครยินดีที่จะเข้าโรงพยาบาลกันแต่เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทางร่างกายก็รู้ว่าต้องเข้าโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ได้รักษาพยาบาลให้โรคภัยไข้เจ็บให้หายไปนั่นเองพราะหลังจากที่ได้รับการรักษาแล้วพอโรคภัยไข้เจ็บหายไปความทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจก็จะหายไปนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะพิจารณาอยู่บ่อย เพื่อจะได้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ต้องคิดว่าเราจิตใจของเราตอนนี้เป็นเหมือนคนไม่สบายจิตใจมีโรคของความทุกข์รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาเราจำเป็นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลของจิตใจ คือต้องไปอยู่วัดเพื่อที่จะได้ไปปฏิบัติธรรมไปรักษาจิตใจด้วยธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปตอนนี้จิตใจของพวกเราถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนผู้ที่ติดอยู่ในคุกในตารางนี้เอง คุกตารางนี้ก็จะมีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันคุกตารางของจิตใจก็มีกำแพงอยู่สี่ด้านเช่นเดียวกันด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านหนึ่งเรียกว่าแก่ด้านหนึ่งเรียกว่าเจ็บด้านหนึ่งเรียกว่าตายนี่คือคุกตารางที่จิตใจของสัตว์โลกที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆนั้น ยังติดอยู่ในคุกตารางอันนี้อยู่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นผู้ที่ติดคุกติดตารางและเรารู้ว่ามีมีทางที่จะทำให้เราได้ออกจากคุกจากตารางเราก็ต้องยินดีเพราะไม่มีใครอยากจะติดอยู่ในคุกในตารางนี้เองคนที่ติดคุกติดตารางจึงพยายามหาวิธีต่างๆ ที่จะแหกออกมาจากคุกจากตารางท <c oughs> ันใดจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนกับนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางของวัฏฏสงสารคือสังสารวัฏวัฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่งพวกเรานี้น้องหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่ ถ้าเรายังไม่ได้ไม่ได้บรรลุถึงทำขั้นสูงสุดของพระพุทธเจ้าเราก็ยังจะต้องมาเวียนว่ายกายตายเกิดกันอีกต่อไปตอนที่เราตายไปจิตใจของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่จะแยกออกจากร่างกายนี้แล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆถ้าเป็นอำนาจของบุญก็จะได้ไป รับผลบุญในภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์คือภพของเทวดาและพรหมทั้งหลายถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็จะไปเกิดในภพของอบายที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขและหลังจากที่ได้ใช้กรรมหรือได้รับผลบุญบทไปแล้ว ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทุกข์กับความเป็นมนุษย์อย่างที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ในปัจจุบันนี้กลับมาทำบุญทาบาปกันใหม่แล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปกันใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงจะสิ้นสุดลงได้ก็ต่อเมื่อ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงคือได้พบกับพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือไม่ฉะนั้นก็ได้พบกับพระอริยสงสาวกหรือได้พบกับพระธรรมคําสั่งคําสอนที่ได้มีการจดจําและบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเท่านั้นถึงจะ มีโอกาสที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ได้เพราะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นทางที่จะพาให้จิตใจของสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในสังสารวัฏนี้ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองเออดังนั้นถ้าชาติใดพบใด ได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างยากมากยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใครได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าได้พบของที่หายากเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้พบแล้วก็จะได้โอกาส ที่จะได้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าได้พบแล้วแต่ไม่เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่ได้พบได้พบแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการที่จะพบกับพระพุทธศาสนานั้นต้องเห็นคุณค่าของพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่ามีคุณค่าต่อจิตใจของผู้ที่ศึกษาผู้ที่ได้มาพบได้เห็นคําสั่งคําสอนการที่จะเห็นคุณค่าก็ต้องมันศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองมันศึกษาประวัติต่างๆของพระพุทธเจ้าเองก็ดีของพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ดีว่า ท่านได้ประโยชน์อย่างไรจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาเรื่อยๆความเข้าอกเข้าใจความเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและจะเห็นภาวะที่ไม่น่าปรารถนาของจิตใจของเราเอง ว่าตกอยู่ในสภาพของนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี้ <Yeah. S 1> ก็จะเาะจะทำให้เกิดศรัทธาเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า yeah. พอได้ปฏิบัติแล้ว ผลก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยพอมีผลเกิดขึ้นมาก็จะมีกําลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปการปฏิบัติในเบื้องต้นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ทุ่มเทแบบเต็มร้อยในเบื้องต้นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะโอกาสก็ไม่เต็มร้อย และกำลังของจิตใจที่จะปฏิบัติตามก็ไม่เต็มร้อยก็ให้เริ่มจากที่เรามีอยู่เป็นอยู่มีกำลังที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนได้มากน้อยเพียงไรก็ทำไปตามกำลังเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ศึกษาแล้วผลก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามลาดับ พอเริ่มมีผลแล้วผลนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดความอยากความยินดีที่จะปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับเพราะผลจนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากเหตุคือการปฏิบัตินั่นเองถ้าได้ผลแล้วก็จะอยากได้ผลเพิ่มมากขึ้น ก็รู้ว่าจะต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็จะปฏิบัติทำข้อต่างๆที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับนะยิ่งปฏิบัติมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมียิ่งได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นก็จะเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนั้นลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ และเห็นความสุขที่ไม่มีในใจนั้นมีเพิ่มมากขึ้นมาไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นคุณค่าของความสุขภายในใจว่า ม, วมีคุณค่ามากยิ่งกว่าความสุขที่ได้รับจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆในโลกนี้ก็จะทําให้เบื่อกับความสุขในแบบเก่าได้ เพราะความสุขแบบเก่าสู้ความสุขแบบใหม่ที่ได้จากการปฏิบัติไม่ได้นั่นเองเพอได้เห็นความสุขที่ปรากฏจากการที่ได้ผลจากการปฏิบัติก็จะทำให้มีกำลังใจมีฉันทะความยินดีมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียนที่จะพยายามปฏิบัติรม เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆผลก็ยิ่งปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปเรื่อยๆจนทำให้มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยเต็มที่เมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มร้อยเต็มที่ผลก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยเต็มที่ๆๆนี่คือ กระบวนการของผู้ปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่ท่านเริ่มต้นตอนเริ่มต้นก็เหมือนเด็กที่กําลังหัดเดินหัดยืนหัดวิง่งย่อมมีการล้มลุกคลุกคลานไปเป็นธรรมดาตอนที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเริ่ม ศึกษาเริ่มปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างตามโอกาสตามกาลังแต่สิ่งที่ท่านมีคือความพยายามที่จะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆคือจะไม่ยอมยกธงขาวไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าบางครั้งบางโอกาสปฏิบัติไปแล้ว จิตแทนที่จะก้าวหน้ากับถดถอยก็ไม่ท้อแท้เบื่อหนายยอมรับว่า น, นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาในการปฏิบัติเหมือนเด็กที่ล้มลุกคลุกคานกว่าที่จะวิ่งได้ยืนได้เดินได้ก็ต้องมีการล้มลุกคลุกคานไปก่อนเพราะว่ายัางไม่สามารถที่จะทำ ที่จะเดินที่จะยืนที่จะวิ่งได้อย่างเต็มที่นั่นเองแต่ถ้าได้พยายามหัดเดินหัดยืนหัดวิ่งไปเรื่อยต่อไปก็สามารถที่จะเดินได้ยืนได้วิ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันบรรดาพระอาจารย์ต่างๆที่ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆนี้ท่านก็รู้ว่าในเบื้องต้น การปฏิบัติก็ต้องล้มลุกคลุกขานไปแต่ท่านรู้ว่าถ้ามีความเพียรพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วผลต่างๆที่ปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นมานั่นเองถผลต่างๆในที่สุดก็ปรากฏขึ้นมาทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้กลายเป็นพระปฏิปันติพระ พระสุปฏิปนโนได้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เป็นที่เคารพนับถือของศรัทธาประชาชนทั่วไปเพราะความเพียรพยายามนั่นเองต้องทุ่มเทต้องเพียรพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่ายกทงขาวเอ อาจจะเพียนบ้างมากบ้างน้อยบ้างหรืออาจจะพักบ้างตามโอกาสตามเหตุการณ์แต่เมื่อได้มีกําลังเมื่อพร้อมที่จะปฏิบัติต่อก็จะปฏิบัติต่อจะไม่มีคำว่ายอมแพ้อย่างหลวงตามหมาบัวท่านพูดว่าให้สู้ไม่ถอยถ้าสู้ไม่ถอยแล้วชัยชนะ จะอยู่ภายใต้กำมือของผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอนอันนี้คือจุดสำคัญของการปฏิบัติต้องไม่ถอยต้องไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะยากลำบากอย่างไรก็ให้นึกถึงความยากลำบากนึกถึงการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระอริยสงฆ์สามกทั้งหลายในอดีต ว่าท่านต้องผ่านกับความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนกว่าที่จะได้ทำอันเลิศอันประเสริฐมาครอบครองเป็นสมบัติของตนพระพุทธเจ้านี่ต้องอดพระกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันพระอริยสงฆ์บางรูปเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกพระอริยสงฆ์บางรูปปฏิบัติจน จากขู่แตกนี่เป็นความทุกข์ยากลําบากที่ผู้ปฏิบัติแต่และท่านจะต้องพบจะต้องเจอกันแต่ถ้าท่านไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้ในที่สุดท่านก็จะได้ชัยชนะกันท่านก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่เรามีความยอ่อท้อมีความ ไม่มีความรู้สึกที่อยากจะปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราระลึกถึงการปฏิบัติการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าให้ร ะ, ะลึกถึงการต่อสู้ของพระอริยสงสาวกทั้งหลายว่าท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนท่านก็เป็นปุตตุชนเหมือนเรามาก่อนแต่ท่านมีความเพียรพยายาม ที่จะปฏิบัติน้านหนที่สุดความเพียรพยายามนี้ก็จะทำให้ท่านได้พบกับความสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความเกียจคร้านความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความย่อท้อความสำเร็จอยู่ที่ความเพียรพยายามดังนั้นผู้ปฏิบัต จึงควรเพียรพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติให้ได้แล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนการเพียรพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้อยู่สี่ ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งให้เพียรพยายามสร้างธรรมที่ยังไม่มีในใจให้ปรากฏขึ้นมา 2. ให้เพียรรักษาธรรมที่มีอยู่ในใจแล้วให้คงไว้ในใจต่อไปอย่าให้หายไป 3. ให้ละอธรรมคือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดไปตามลำดับ สีให้เพียรรักษาป้องกันไม่ให้อธรรมคือกิเลสตัณหาที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาสู่จิตใจอีกต่อไปนี่คือความเพียรของผู้ปฏิบัติต้องเพียรอยู่ในสลักษณะนี้เพียรสร้างธรรมะและเพียรละอธรรมเพียรรักษาธรรมะที่มีอยู่ในใจไม่ให้หายไป และเพียรป้องกันไม่ให้อธรรมที่ได้กาจัดแล้วหวนกลับเข้ามาสู่จิตใจอีกต่อไปนี่คือลักษณะของการปฏิบัติธรรมธรรมที่ให้ทรงที่สอนให้ปฏิบัติให้สร้างขึ้นมาภายในใจก็คือทานศีลภาวนาเนีเ่ให้เราดูว่าตอนนี้เรามีการปฏิบัติทานเป็น เป็นปกติหรื อ, อยังทําทานอย่างสม่าเสมอได้หรื อ, อยังสองรักษาศีลได้อย่างสม่าเสมอหรื อ, อยังสามภาวนาได้หรื อ, อยังนี่คือทาขั้นต่างๆที่เราต้องสร้างขึ้นมาเพราะทำเหล่านี้จะเป็นอาวุธจะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการกําจัดอธรรมต่างๆคือกิเลสตัณหา ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ถ้าไม่มีธรรมคือทานศีลภาวนาอาธรรมต่างๆคือกิเลสตัณหาจะไม่มีวันหมดสิ้นไปจากจิตจากใจถ้ากิเลสตัณหายังมีอยู่ภายในจิตใจอยู่ความทุกข์ก็ยังจะอยู่กับจิตใจต่อไปการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีกับจิตใจต่อไป เพราะกิเลสตัณหานี่แหละเป็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหตุของความทุกข์ใจต่างๆดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องเพียรพยายามสร้างธรรมที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมาภายในใจให้ได้ถ้ายังไม่ได้ทำทานอย่างตามหลักที่ทรงสอนให้ทาก็ต้อง ทำทานตามที่ทรงสอนให้ทำให้ได้การทําทานนี้พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราหยุดการใช้เงินทองตามความอยากต่างๆเพราะการใช้เงินทองตามความอยากต่างๆก็เท่ากับการเป็นการสร้างสรสร้างหรือสนับสนุนอาจทาให้มีอยู่ในใจไปเรื่อยๆนั่นเองการใช้เงินทองตามความอยากต่างๆเป็นการ เพิ่มกิเลสตัณหาหรือการรักษากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจนั้นให้อยู่ต่อไปไม่ให้ไม่ได้ทําให้หดหายไปแต่จะทําให้มีอยู่เรื่อยๆและมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายังใช้เงินเอาเงินต่างๆไปใช้กับความอยากต่างๆเช่นไปใช้กับกามตัณหาคือการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใช้เงินต่างๆเพื่อความสุขทางกามคุณห้าหรือใช้เงินทองเพื่อสนับสนุนภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นเช่นสมัยนี้กาลังมีการเลือกตั้งก็ต้องใช้เงินทองเพราะมีค่าใช้จ่ายการใช้เงินทองเพื่อสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ได้เป็นใหญ่เป็นโต อันนี้ก็เป็นการสนับสนุนอนธรรมคือกิเลสตัณหาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปภายในใจแต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมนี้จะไม่เข้าใจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของโลกอยู่ในโลกก็ต้องหาความสุขกันต้องมีตําแหน่งมียศมีเกลียดกันก็ต้องขวนขวายดื้นรนกัน น่วก็ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดไม่ผิดศีลธรรมแต่อย่างใดแต่มันเป็นการเสริมสร้างอาธรรมขึ้นมาภายในใจโดยที่ผู้ปฏิบัติเองไม่รู้สึกตัวนั่นเองถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่เข้าใจของความหมายของการทำทานว่าความ เป้าหมายที่แท้จริงของการทำทานก็คือการทำลายกิเลสตัญหาที่จะใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการาจเจริญเติบโตนี่งหรือในการคงไว้อยู่ในจิตใจความอยากใช้เงินทองด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เพื่อให้มีทำตามกามตัณหาก็ดีภาวะตัณหาก็ดี วิภาวาตัญหาก็ดีเป็นการเสริมสร้างอัธรรมที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แกจ่จิตใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินทองเพื่อกิเลสตันหาแล้วเราเปลี่ยนใจเอาเงินทองนี้ไปทำบุญทำทานไปสร้างธรรมะขึ้นมากิเลสตันหาที่จะ ที่จะอยู่หรือที่จะเจริญเติบโตก็จะถูกถูกกำจัดลงไปทุกครั้งที่เราไม่ทำตามความอยากความอยากนั้นก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆและต่อไปความอยากนั้นก็จะหายไปได้จนทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆเราก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าวันนี้จะไปเที่ยวไม่เอา เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทาทานวันนี้จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อแต่พะอยากจะซื้อซื้อแล้วมีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวก็ตามสู้อย่าไปซื้อความสุขแบบนี้ดีกว่าไปซื้อความสุขด้วยการให้ทานดีกว่าเพราะผลที่ได้จากการทำทานนี้ จะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินตามความอยากต่างๆความสุขที่ได้จากการใช้เงินตามความอยากนี้เป็นเหมือนควันไฟมันเกิดขึ้นชั่วขณะแรกๆตอนที่ได้ใช้เงินไปพอเวลาผ่านไปความสุขเหล่านั้นมันก็จะจางหายไปแต่ความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้ มันมีความรู้สึกอิ่มกว่าและอยู่คู่กับใจได้นานกว่าถึงแม้เวลาได้ผ่านไปนานแล้วก็ตามถ้าไประลึกถึงบุญถึงทานที่เราได้ทำไว้มันก็ยังทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มเอิบใจปรากฏขึ้นมาอยู่ต่างกับความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวจากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ทุกครั้งที่เราไปนึกถึงมันแทนที่จะทำให้เราเกิดความอิ่มใจพอใจมันกลับทำให้เราเกิดความหิวเกิดความอยากไปเที่ยวใหม่อีกก็เลยทำให้เราอยู่บ้านไม่ได้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องไปเที่ยวต่ออยู่เรื่อยๆถึงจะได้รักษาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวนี่คือวิธีการที่เราจะกําจัดความอยาก ต่างๆด้วยการใช้เงินทองทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินทองกับสิ่งที่ไม่จำเป็นใช้เงินทองกับความอยากคือการมะกตันห า, ะะนหาหภาวะตันหาหรือวิภวะตันหาเราก็อย่าเอาไปใช้เอามาใช้ในการทำบุญทำทานดีกว่าเพราะถ้าเราไม่ใช้เก็บไว้เดี๋ยวมันทนไม่ได้ต้องไปใช้ตามความอยาก ถ้าเรายังห้ามใจไม่ให้ใช้ตามความอยากไม่ได้เราก็อย่ามีเงินทองเก็บไว้ดีกว่าถ้ามีเงินทองแล้วเดี๋ยวมันต้องไปใช้ตามความอยากสู้เอาเงินทองไปทำบุญทำทานดีกว่าถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปไม่นานความอยากใช้เงินทองเพื่อสนับสนุนความอยากต่างๆมันก็จะหายไป แล้วเราก็จะไม่ต้องมาเดือดร้อนกับการคอยหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ตามความอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปคือขั้นศีลขั้นภาวนาเพราะเราจะได้มีเวลาว่างไม่ต้องไปทำงานทำการแบบหักโหมเพื่อที่จะได้เอาเงินทองที่ต้องการ มาซื้อของต่างๆ ต, ต, ตามความอยากนั่นเองเราก็จะเริ่มรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์เพราะถ้าเราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปหาเงินมามากมายไม่ต้องหาเงินแบบง่ายๆแบบเร็วๆก็ไม่ต้องทำบาปกันการที่อยากจะได้เงินแบบง่ายๆแบบเร็วๆนีมักจะต้องทาบาปกัน อาจจะต้องโกหกบ้างอาจจะต้องช่อโกงบ้างอันนี้ถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องหาเงินแบบนี้เราก็จะสามารถรักษาศีลได้ถ้าเรามีความปรารถนาที่อยากจะสร้างธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างขึ้นมาเราก็จะเห็นความสำคัญของการรักษาศีลยิ่งกว่าการหาสิ่งต่างๆ ที่กิเลสตัณหาต้องการนั่นเองถ้ากิเลสตัณหาต้องการเงินทองเราก็หา จ, จะหาตามความจำเป็นแต่ถ้าต้องหาแบบการทำบาปเราก็จะไม่หาเพราะเป้าหมายของเราถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่เป็นการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง แต่เป้าหมายของเราเป็นการหาธรรมเป็นการสร้างธรรมขึ้นมาภายในใจสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาขึ้นมาดัางนั้นไม่ว่าการกระทำอะไรก็ตามถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ได้ส่งเสริมในการสร้างธรรมะเราก็จะไม่ทำกันเราก็จะทำแต่สิ่งที่จะมาส่งเสริมในการสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นนะครับ ในการรักษาศีลห้าเราก็จะทำงานที่สุดจริตเนี่ยเราจะไม่ทำงานที่เสี่ยงต่อการทำบาปต่างๆเราก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้และกิจกรรมที่จะล่อให้เรารืดดึงให้เราไปทำบาปเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรที่เป็นเหตุที่จะดึงให้เราไปทำบาปได้ง่ายก็คืออบายมุกนั่นเอง อบายามุกก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือการเดิมสุราการเล่นการพนันการเที่ยวเตรการครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรและความเกลียดคล้านนี่เป็นกิจกรรมหรือการกระทําที่จะดึงจิตใจให้ไปทําบาปต่อไปได้ถ้าไม่ได้ทํากิจกรรมเหล่านี้ ก็จะไม่มีอะไรดึงให้จิตใจต้องไปทำบาปการรักษาศีลห้าก็จะรักษาได้อย่างง่ายดายไม่ยากเย็นไม่เหมือนกับตอนที่ยังต้องการหาเงินมากๆหาเงินแบบง่ายๆหาเงินแบบเร็วๆอยู่ตอนนั้นจะรู้สึกว่าการรักษาศีลห้านี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งและการละอบายามุข ก, ก็เป็นอุปสรรค เพราะสังคมนั้นส่วนใหญ่จะชอบเสพอบายามุกกันนั่นเองอันนี้คือการปฏิบัติธรรมเราต้องเพียรพยายามสร้างธรรมขั้นต่างๆที่เราอย่างไม่มีให้เกิดขึ้นมาให้ได้ทำขั้นแรกก็คือให้เราทำทานให้ได้ทำทานเพื่อกำจัดความอยากต่างๆ แล้วเมื่อเราทําได้เราก็จะรักษาศีลห้าได้พอเรารักษาศี่ห้าได้เราก็ต้องขยับขึ้นสู่ขั้นต่อไปคือขั้นภาวนาการภาวนาวก็คือการมาควบคุมจิตใจฝึกจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบแล้สอนจิตใจให้ฉลาดให้รู้ถึงเหตุที่ทําให้จิตใจทุกข์ว่าเป็นอะไรแล้ให้เห็นเหตุที่จะทําให้จิตใจหายทุกข์นั้น ว่าเกิดจากอะไรนี่คือการภาวนาแบ่งเป็นสองระดับระดับสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบให้มีความสุขขึ้นมาก่อนพอใจมีความสุขแล้วก็สอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะมาทำให้ใจทุกข์และอะไรที่จะกำจัดเหตุที่จะมาทำให้ใจทุกข์นั้นหายไปได้เรียกว่าวิปัสสนา เป็นขั้นที่สองของการภาวนาการภาวนานี้ต้องมีสองขั้นนี้จึงจะสามารถทำให้จิตใจบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้การทำทานนี้ยังไม่สามารถทำให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆคือทรระดับโล ก, กุตรธรรมได้คือระดับของพระอริยบุคคล การจะบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้นี้จําเป็นต้องปฏิบัติธรรมขั้นวิปัสสนาแต่ก่อนที่จะสามารถก้าวขึ้นสู่ธรรมระดับวิปัสสนาได้ก็ต้องผ่านขั้นต่ําขึ้นไปก่อนผ่านขั้นทานขั้นศีลขึ้นไปก่อนพอผ่านขั้นศีลห้าได้แล้ว ก็จะก้าวขึ้นสู่ ข, ขั้นภาวนาได้แต่การจะภาวนาได้ก็ต้องเพิ่มศีลเพิ่มอีกสามข้อขึ้นไปถึงจะมีกำลังที่จะปฏิบัติจิตตภาวนาได้เพราะการปฏิบัติจิตตภาวนานี้จจำเป็นจะต้องใช้เวลามากต้องอาศัยสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกจึงต้องมีการรักษาศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อเป็นอย่างน้อย ศีลแหรือศีลสิบหรือศีล227นี่เป็นศีลที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือขั้นภาวนาได้ผู้ปฏิบัติต้องฝึกรักษาศีลให้ได้ก่อนขั้นต้นก็รักษาศีลห้าให้ได้เป็นปกติก่อนสามารถรักษาศีลได้อย่างทุกวันเป็นนิจศีล พอรักษาศีลห้าได้เป็นปกติแล้วก็ลองมาหาเพิ่มรักษาศีลแปดกันในวันที่สะดวกวันที่เหมาะสมก็คือวันที่หยุดทำงานนั่นเองวันที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสังคมไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเพื่อที่จะได้มีเวลาไปปรีกวิเวกการที่จะรักษาศีลแปและปฏิบัติจิตธรรมดาดนี้จาเป็นที่จะต้องปลีกวิเวก ถึงจะได้ผลดีถ้ายังต้องปฏิบัติอยู่ร่วมกับผู้ น, นี้จะเป็นอุปสรรคมากเพราะผู้อื่นเขาจะไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเราถ้าปฏิบัติที่บ้านยังมีคนอยู่ในบ้านร่วมกันอยู่เขาไม่ได้ถือศีลแปดเราถือศีลแปดก็จะมีการขัดกันเวลาเย็นเขาก็จะรับประทานอาหารแต่เราไม่รับประทานอาหาร เวลาเห็นเขารับประทานอาหารบางทีใจเราก็เกิดความอยากขึ้นมาได้หรือบางทีเราไม่รับประทานเขาก็มาชวนเรารับประทานเพราะเขาเป็นห่วงเราเห็นเราไม่รับประทานก็คิดว่าเดี๋ยวอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเขาไม่เข้าใจว่าการไม่รับประทานอาหารเย็นนี้ไม่มีโทษแต่อย่างใดต่อร่างกายแต่การที่ไม่เคย ละเว้นการรับประทานอาหารเย็นก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกว่าจะมีโทษต่อร่างกายหรือว่าจะทำให้ใจไม่สบายใจเพราะจะมีความหิวอาหารแต่ถ้าลองตั้งใจที่จะไม่รับประทานจริงๆแล้วความหิวมันจะไม่เกิดขึ้นความหิวมันเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราในใจมีความตั้งใจว่าจะไม่รับประทานความหิวมันก็จะไม่เกิดขึ้น นี่คืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ไปปีกเว้ยเวหรือไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ปฏิบัติศีลเหมือนกันเช่นไปอยู่ตามวัดถ้าเราเไปอยู่ในที่เราต้องไปอยู่ในที่ที่มีผู้ปฏิบัติเหมือนกันคือผู้ที่รักษาศีลแปดผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาเหมือนกันอันนี้ก็ยังพออยู่ร่วมกันได้ เพราะว่าปฏิบัติคล้ายกันนะจะช่วยการสนับสนุนกันได้จะให้มีจะให้กำลังใจต่อกันได้เราหิวพอเห็นคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับประทานอาหารเย็นเราก็อาจจะหายหิวได้เขาทำได้เราก็ต้องทำได้นี่คือเรื่องของการที่เราจะภาวนานี้ขั้นต้นจำเป็นจะต้องหัดรักษาศีลแปดให้ได้ เพราะศีลแปดนี้จะกำจัดกิจกรรมต่างๆที่เราไม่ควรจะทำกิจกรรมที่จะทำให้เราไม่สามารถทำจิตใจให้สงบได้นั่นเองเพราะหนึ่งจะไม่มีเวลาถ้าเราไปทำกิจกรรมที่ศีลแปดห้ามไว้เอแต่ศีลห้าไม่ได้ห้ามไว้นี่คือความแตกต่างระหว่างศีลห้ากับศีลแปดศีลแปดนี้จะห้ามกิจกรรมที่ ศีลห้ามไม่ได้ห้ามเช่นการร่วมหลับนอนกันศีลห้านี้ไม่ร่วมไม่ห้ามให้ร่วมหลับนอนกับคู่ของของตนได้แต่ถ้าถือศีลแปดนี้ก็จะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันเพราะจะได้เอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกันนี้มาปฏิบัติจิตภาวนานั่นเองเช่นเดียวกับการดูมหรศพบันเทิงต่างๆหรือการออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อันนี้ศีลห้ามไม่ได้ห้ามแต่ศีลแผดต้องห้ามถ้าต้องการจะมีเวลามาจเจริญจิตตภาวนาเพราะการที่จะทําจิตใจให้สงบนี้ต้องใช้เวลามากและต้องใช้เวลาที่ต่อเนื่องกันไม่ให้ขาดตอนคือเหตุที่จะทําให้จิตใจสงบก็คือสติสตินี้จำเป็นที่จะต้องมีการจเจริญอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดตอน เพราะว่าถ้าขาดตอนก็เหมือนกับต้องเริ่มต้นใหม่พอทําเจริญสติได้ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็หยุดไปทําอะไรอย่างอื่นก็เท่ากับการ เ, าเลิกเจริญสติแล้วก็จจะกลับมาเจริญสติใหม่ก็เหมือนกับต้องมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้ามีการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องสติก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับจนสามารถที่จะนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบได้นี่คือทำที่จะต้องเจริญกันในการที่จะสร้างธรรมขั้นที่สามคือภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นแรกคือสมถภาวนานี้คือการทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งของใจ ที่คิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหยุดเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขาที่ไม่มีเบรกรถที่วิ่งลงเขาไม่มีเบรกนี่มันจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปชนต้นไม้หรือแหกโค้งตกเหวไปเท่านั้นมันถึงจะหยุดวิ่งได้จิตใจก็เหมือนกันจิตใจนี้จะคิดไปเรื่อยๆจะไม่มีวันหยุดของมันเองนอกจากเวลานอนหลับเท่านั้นหรือเวลาที่มันเหนื่อย คิดมากๆปวดหัวบางทีมันก็อาจจะหยุดคิดของมันเองแต่ถ้าอยู่ดีๆจะให้มันหยุดคิดเองนี่มันไม่หยุดคิดเองถ้าไม่หยุดคิดใจก็จะไม่มีวันพบกับความสงบไม่มีวันที่จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงการภาวนาเพื่อทําจิตใจให้สงบนี้เพื่อให้เราได้มาสัมผัสกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองความสุข ที่เหนือกว่าความสุขที่ในแบบรูปแบบเก่าที่เราเคยพบเคยเคยมีกันคือความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพะะอันนี้เป็นความสุขของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะได้เสพกันแต่ความสุขแบบนี้สู้ความสุขที่ได้จากการ จเจริญส ม, มะถะภาวนาไม่ได้สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีผู้ที่ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้จากการที่ก็ยังออกไปหาความสุขจากลาบยศสลาเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนวิธีหาความสุขจะกลับเข้ามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบแทนที่จะออกการสังคมไปท้าหรือไปทํางานทําการไปทำโครงการอะไรต่างๆเพื่อให้ได้ลาบยศสรรเสริญสุขมาก็จะกลับไปเปลี่ยนไป ไปอยู่ตามวัดตามสถานที่สงบสงัดเพื่อไปเจริญสติเพื่อไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอทุกครั้งที่ใจสงบนี้มันไม่มีอะไรที่จะเหมือนความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเหมือนผู้ใดได้ความสงบที่เกิดจากได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะไม่คิดถึงความสุขที่เคยมีที่เคยไ ข, ขวาคว้าหาอยู่ คือความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะพยายามขวนขวายที่จะสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆให้มีไปจนกระทั่งมีอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็จะทำให้มีความเพียรพยายามที่ประจจะปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยพอสามารถที่จะ สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วเวลาที่เกิดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขทางลาบยศสรลเสริญทางตาหูจะหมกดิ้นกายก็ต้องปฏิบัติทำขั้นต่อไปคือขั้นวิปัสสนาเพื่อกำจัดความอยากที่จะเดึงใจให้กลับไปหาความสุขแบบเก่า การเจริญวิปัสสนาก็คือให้เห็นว่าความสุขแบบเก่าความสุขที่ได้จากราบย ศ, ศรสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภันี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อ, อนิจจังก็คือเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไปถ้าอยากจะได้ความสุขนั้นดิก็ต้องไปหาใหม่ ถ้าไปเที่ยวแล้วก็ต้องกลับไปเที่ยวอีกถ้าได้อะไรมาแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขแบบนั้นอีกก็ต้องกลับไปหาสิ่งนั้นมาเพิ่มอีกมันก็จะต้องให้หาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าหาไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือถ้าได้สิ่งที่หามาได้แล้วเวลาที่พัดพากจากกันไปก็ทำให้ทุกข์ใจทาให้เสียใจเรียกว่าทุกขขัง อ น, นิจจังสิ่งต่างๆที่เป็นอ น, นิจจังนี้จะทําให้เราทุกข์กันเพราะว่าเราไม่อยากให้มันจากเราไปเราไม่อยากให้มันหมดได้อะไรมาแล้วเราอยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นอย่างที่เราต้องการได้เพราะมันเป็นอนัตตาอนัตตามันไม่ได้เป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นสมบัติแบบอ น, นิจจัง ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป น, นี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งที่เราเกิดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าอยากกลับไปหาความสุขแบบนั้นความสุขที่ดีกว่ามีอยู่ในใจของเราแล้วก็คือความสงบให้กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่า ทุกครั้งที่เกิดความอยากแล้วใจวุ่นวายก็ไปเจริญสมถะภาวนาไปทำจิตใจให้สงบด้วยการเจริญสติการเจริญสตินี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันมีวิสี่สิบวิธีขึ้นไปเป็นอย่างน้อยคือกรรมาฐานสี่สิบกรรมาฐานก็คือวิธีเจริญสติต่างๆกันเช่นการเจริญพุทธานุสติก็คือการระลึกถึง ก็พุทธเจ้าก็ใช้คําพุทโธไปแล้วลิกถึงคําพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ถือว่ากําลังเจริญพุทธานุสติหรือถ้าอยากจะสวดบทอิติปิโสก็ก็เป็นการเจริญพุทธานุสติเหมือนกันสวดบทอิติปิโสหรือบริกรรมพุทโธมันก็จะทําให้เราหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าเราไม่มีอะไรมาให้สวดจิตบริกรรม มันก็จะคิดถึงเรื่องราบยศสารเสวนคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพาแล้วมันก็จะทําให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเพราะเกิดความอยากใจก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลเกิดความกังวลกวายกระสับกระสายเกิดความหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาได้แล้วมันจะทําบังคับให้ไปทําตามความอยากถึงจะหาย แต่หายก็หายแบบชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานความอยากใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาอีกวิธีที่จะแก้ความอยากเหล่านี้ให้หายไปอย่างถาวรก็คือต้องไม่ไปทำตามความอยากเหล่านี้ด้วยการมาเจริญสมถะภาวนาเกิดเจริญสติด้วยด้วยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติานาปนาสติ อันนี้เราสามารถเอามาใช้ในการกำกับใจควบคุมใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะไม่ต้องไปทำตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังไปทุกครั้งที่ความอยากปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ได้รับการตอบสนองไม่ได้ไปทำตามความอยากความอยากมันก็จะเบาไปแล้วมันก็จะหายไปหมดต่อไปนี่คือวิธีการของวิปัสสนา วิปัสสนาต้องสอนใจให้รู้ว่าการไปหาความสุขนอกใจนี้เป็นการไปสร้างความทุกข์ให้แก่ใจมากกว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับใจเพราะสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขกับใจที่อยู่ภายนอกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็จะทําให้ทุกข์เวลามันหมดไป อนัตตามันไม่ได้เป็นของใจใจไม่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับใจไปได้ตลอดพอทุกครั้งที่มีความอยากกับสิ่งใดก็ให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากได้ลาบก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็พิจารณาว่า เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากได้อะไรแม้แต่อยากได้สังขารร่างกายก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอน uh. ัตตาร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเป็นอนิจจังร่างกายไม่อยู่ไปตลอดร่างกายจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายถ้ามีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็อยากทให้ใจทุกข์ วิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์ก็ต้องไม่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามความเป็นจริงของร่างกายก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายได้ไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์แต่ตัวที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เท่านั้น อันนี้คือวิปัสสนาต้องพิจารณาให้เห็นตายลักเห็นความเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนตัตตาในสิ่งที่ใจไปอยากได้อยากมีอยากอยากเป็นถ้าเห็นแล้วใจก็จะได้หยุดความอยากนี้ได้พอหยุดความอยากนี้ได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปหลังจากนั้นแล้วจะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไป จะไม่มีความทุกข์กับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทภาเพราะจะไม่มีความอยากได้ไม่มีความอยากได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสผลถภาอยากจะได้ไม่มีไม่ไม่ต้องการอะไรเพราะรู้ว่าความอยากไม่ว่าจะเป็นความอยากชนิดไหนอยากได้สิ่งภายนอกก็เป็นทุกข์อยากได้ร่างกายก็เป็นทุกข์ อยากได้ความสุขภายในใจแม้แต่ความสุขภายในใจที่ได้จากความสงบก็ต้องไม่อยากได้ต่อไปเพราะว่าความสุขที่ได้จากความสงบภายในใจนี้ก็ยังเป็นความสุขที่ไม่ที่ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั่นเองผู้ปฏิบัติจะต้องละไปตามขั้นตามตอนของการปฏิบัติจะละของหยาบก่อนสู่เข้าไปสู่การละของละเอียดตามลาดำับ เบื้องต้นะละภายนอกก่อนละลาบยศสรรเสริญละรูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่อมาก็เข้ามาละที่ร่างกายละร่างกายละความเจ็บละเวทนาก็คือความเจ็บความแก่ความตายก็คือร่างกายความเจ็บก็คือเวทนาละขันห้าหลังจากละขันห้าได้ก็ต้องเข้ามาละความสงบภายในจิตอีกทีนึง เพราความสงบภายในจิตในระดับในขั้นนี้ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ถ้าอยากจะพบกับความสงบที่แท้จริงแบบที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีที่ไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ปฏิบัติเมื่อละสิ่งต่างๆได้แล้วก็จะมาติดอยู่กับความสงบของใจก็จะต้องมาละตัวนี้ต่อไปละความสงบภายในใจให้ได้พอละความสงบภายในใจที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ต่อไปก็จะได้พบกับความสงบที่แท้จริงความสงบที่ไม่เป็นอนิจจงทุกขังอีกต่อไปที่เราเรียกว่าพานิพานนี่พานิพานก็คือความสงบเต็มร้อยที่เกิดจากการละตันหาความอยากได้เต็มร้อยความอยากต่างๆที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจได้ถูก ก, กำจัดไปด้วยวิปัสสนาญาณด้วยปัญญาญาณด้วยการเห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความสุข ที่ละเอียดแต่ก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่พอสละความสุขอันละเอียดสุดได้จิตใจก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปพอใจได้กำจัดความอยากต่างๆหมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้ชำระความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้ว เราก็เรียกใจนี้ว่านิพพานนั่นเองนี่คือเป้าหมายอันสูงสุดของการปฏิบัติเพราะเมื่อได้ถึงนิพพานแล้วใจจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีตัวที่จะดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปตัวที่ดึงให้ใจมาเกิดก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี่องพอได้กําจัดบทเส้นไปจากใจ เป็นนิพพานขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายตามมาอีกต่อไปนี่แหละคือผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติอย่างเต็มร้อยอย่างเต็มที่ผู้จะปฏิบัติถึงทาขั้นโลกุตตะละได้นี้จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มร้อยอย่างเต็มที่แต่ก่อนที่จะเข้าถึงขั้นนี้ได้ก็เริ่มปฏิบัติจาก กำลังที่กําลังปฏิบัติอยู่มีกําลังมากน้อยเท่าไหร่ก็ปฏิบัติไปพยายามศึกษาไปเรื่อยๆแล้วจะทําให้มีความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอได้เริ่มปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปผลก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆก็จะทําให้มีกําลังใจมีความอยากที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเลยต่อไปก็จะปฏิบัติได้เต็มร้อย เมื่อได้เต็มร้อยผลก็จะได้เต็มร้อยต่อตามมาพอได้ผลต็มเต็มร้อยแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปงานทางาศาสนานี้มีวันสิ้นสุดลงงานทางปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้ให้ปฏิบัติไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดพอกิเลสหมดสิ้นไปจากใจแล้วงานปฏิบัติก็หมดสิ้นไปไม่มีงานต้องทำอีกต่อไป ผู้ที่ได้กำจัดกิเลสตัวสุดท้ายลงไปแล้วก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าว hm ุตสีตังบรมจารหรอยังกิจใดพรหมจารนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะ ต, ต, ตัวที่ต้องคอยกำจัดมันหมดไปจากใจแล้วกิเลสตัณหาต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจมันหายไปหมดแล้วไม่มีกิจที่ต้องทำอีกต่อไปนี่แหละคืองานของทางธรรม มีวันสิ้นสุดหรอกมีวั น, ม, วนมีวันหยุดแต่งานทางโลกนี้ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหยุดเพราะความอยากมันจะไม่หมดนั่นเองทำไปเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากทำไปเรื่อยจะหยุดก็ต่อเมื่อร่างกายไม่สามารถทำได้เท่านั้นแต่ถ้าร่างกายยังตอบสนองความอยากได้อยู่มันก็จะทำต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราเปรียบเทียบดู ผลที่จะได้รับจากการกระทำงานทางโลกกับงานทางธรรมว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มีงานอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับงานของธรรมเพราะงานของธรรมนี้จะให้สิ่งที่งานทางโลกไม่สามารถให้กับเราได้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด จึงขอฝากเรื่องของความเพียรพยายามปฏิบัติทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปการปฏิอิจตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสัมิจตุสัพเพโปรเตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุ สัพพะโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตารายุสุขีทีขายุโกภาวะพิวัธนสีลิตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะขึ้นมาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมด325คน YouTube 209คนวิทยุออนไลน์18คนพูดลฟังบนเขา หนึ่งร้อยสามสิบห้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยแปดสิบเจ็ดคนครับผมถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลยมีคำถามจากคุณวาสนาสอนกระต่ายนะคะสาธุค่ะหนูขอถามพระอาจารย์ว่าพระดูเลขดูดวงแก้กรรมให้ชาวบ้านนั้นถูกไหมถูกทางหรือเปล่า แล้วพระทำไร่ทำสวนได้ไหมคะหรือพระถ่ายพลังใ ห, ให้ได้ด้วยถูกทางไหมคะถ้าไม่ถูกหนูจะได้ออกห่างคะ่ะไม่ถูกทั้งนั้นนะ่ะพระมีหน้าที่ศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมพอบรรลุธรรมแล้วก็เอาคําสอนเอาธรรมที่ได้บรรลุมาเผยแผ่สั่งสอนเพื่อให้ผู้อื่นได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์ นี่คือเป็นวิธีกำจัดความทุกข์อย่างถูกต้องการไปกำจัดความทุกข์ด้วยวิธีอื่นนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กำจัดกันคำถามต่อไปจากคุณนงลักษ์มีเนนมาซื้อมามา่าหรือขนมในยามวิการแล้วเราเป็นคนขายควรขายได้หรือไม่คะแล้วเป็นบาปไหมคะ มีวิธีแก้ไขอย่างไรดีเ <Anfang> จ้าคะก็ถ <food> ้าไม่อยากขายก็บอกก็ไม่ขายก็ได้ให้เขาไปซื้อที่อื่นเพราะตามความเป็นจริงแล้วพระเนนไม่ให้จับต้องเงินทองไม่ให้ไปซื้อของเองถ้าต้องการอะไรจะให้ศรัทธาญาติโยมเป็นผู้จัดการให้แล้วเขาก็ต้องรู้จักเวล่ำเวลา เพราะฉะนั้นการไปซื้อของอของกินในยามวิการนี่ก็ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องของพระเนนที่กระทำกันถ้าญาติโยมปฏิเสธไปก็ไม่เสียหายตรงไหนคำถามจากคุณเลือดองุ่นทิพย์ถ้าดวงจิตทำบุญมากเมื่อตายไปแล้วจิตจะสิ่งสูสิงสู่กับเทวดาแต่ถ้าบาปหนักกว่า จจะไปจุติอยู่ในนรกภูมิใช่ไหมคะใช่บาป ก, กบุญที่เราทำนี่มันจะสะสมอยู่ในใจแล้วมันจะเป็นตัวดึงใจให้ไปทางใดทางหนึ่งขึ้นอยู่ว่าบุญหรือ บ, บาปจะมีกำลังมากกว่ากันคำถามจากคุณไพฑูนเพชรแก้วกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับ พระมีเงินในบัญชีของพระเองซื้อของเองซื้อรถยนต์ขับเองทำพิธีสะดกากคอเสริมดวงดูดวงนั่งปลุกเศกเช่าบูชาของขรังอย่างนี้สมควรกราบหรือทำบุญด้วยหรือไม่ครับคือเรื่องเงินทองนี้พระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้พระรับไว้ได้แต่ไม่ให้เก็บไว้เป็นของตน ให้ฝากไว้กับผู้มิที่ไว้ใจได้ให้ดูแลรักษาแทนญาติโยมที่ถวายเพื่อพระต้องการเอาไปใช้ของที่จำเป็นของที่ควรกับสั ม, มณบริโภคคือปัจจัยสี่เช่นอาหารบินทบาทเครื่องนุ่งห่มจีวรที่อยู่อาศัยกุฏิหรือยารักษาโรคอันนี้เป็นเงินทองที่พุทธเจ้าอนุญาตให้พระนำเอาไปใช้ได้ ถ้ามีมากกว่านั้นจะเอาไปทำบุญทำทานสงข้อโลกก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปซื้อของเพื่อทำประโยชน์แบบทางโลกให้แก่ตนเองนี้ก็ไม่เหมาะสมไม่เป็นสัมมณะบริโภคมีคำถามจากคุณจีนคอปเปเรชันอินโฟสามคำถามนะคะกราบนามัสการครับขอกราบเรียนถามข้อที่หนึ่ง เหตุใดทําให้ความสุขในใจไม่เที่ยงครับคือกิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ในใจนั่นเองกิเลสตัณหามันจะคอยก่อกวนให้จิตใจเราหิวเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความสุขที่เราได้จากสิ่งนู้นสิ่งนี้มาแล้วมันจะหายไปเมื่อเกิดความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาคําถามข้อที่สองกายเวทนาจิตธรรม จิตและธรรมต่างกันอย่างไรครับจิตก็คือความรู้ผู้รู้สึกนึกคิดเองเรียกว่าจิตส่วนธรรมก็คุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในจิตคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรียกว่าธรรมคุณสมบัติที่ไม่ดีแล้วก็เรียกว่ากิเลสตัณหาคำถามข้อที่สามโนมยิทิตามแบบที่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรครับ อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ได้ศึกษามาต้องไปถามผู้ที่เขารู้คำถามจากคุณกําพลการที่เราจะไปบวชพระเพื่อตัดกิเลสแต่คนรอบข้างกลับมองว่าเรามีทุกข์และสงสารเราขึ้นมาก็ดีไงเขาจะได้สนับสนุนให้เราไปปฏิบัติเพราะการไปบวชเพื่อไปกาจัดความทุกข์ต่าง เหมือนกับเวลาที่คนไม่สบายไปโรงพยาบาลก็ไม่มีใครห้ามมีแต่คนยินดีไปรักษาตัวนะจะได้หายใจก็เหมือนกล้างกายที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปบวชไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้รักษาความทุกข์ใจให้หมดไปคำถามจากคุณไพฑูรย์เพชรแก้วกราบนวัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับการเจริญอานาปานาสติ ไม่ต้องบริกรรมคำว่าพุโทโธได้หรือไม่แต่ให้ดำรงสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้นยาวก็พอครับไม่ต้องใช้คำบริกรรมอาณาปนานสติคือให้มีสติรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจลมเข้าเรียกว่าอาณาลมออกเรียกว่าปานาอาณาปนานสติก็ให้มีสติรู้อยู่กับลมเข้าลมออก แต่ถ้าจะใช้พุทโธกำกับด้วยก็ไม่ห้ามแล้วแต่ความเหมาะสมความพอใจของผู้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติได้ผลดีด้วยการใช้บริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับการดูลมหายใจก็ย่อมทําได้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้คําบริกรรมจะต้องการดูลมเพียงอย่างเดียวก็ใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะคำถามจากคุณกนกวันสุวรรณดี กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะคนที่ถวายดอกไม้สานพระภูมิเจ้าที่ทุกวันพระแต่เป็นคนไม่ดีกับคนที่ทําดีคิดดีแต่ไม่ถวายสิ่งของเหล่านั้นทั้งสองคนจะได้บุญเท่ากันไหมคะก็มันเป็นบุญคนละอย่างนะการเป็นคนดีนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งคือการไม่ทําบาปการรักษาศีล ส่วนการถวายของนี่ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญทําทานเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งต่างกันไปการให้ทานก็จะทําให้จิตใจได้อาหารการรักษาศีลก็เป็นการซื้อประกันภัยให้กับจิตใจไม่ให้ไปพบกับภัยของจิตใจก็คือไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะฉะนั้นบุญสองอย่างนี้คนละอย่างกัน จะมาเปรียบเทียบว่าอย่างไหนดีกว่ากันมันก็ไม่ถูกเพราะว่ามันทำหน้าที่ต่างกันถ้าไม่อยากจะไปอบายไม่อยากไปเกิดเป็นเดรลชานเป็นเปรตไปตกนรกก็ให้ทำความดีเอาไว้อย่าทำบาปแต่ถ้าอยากจะได้ความสุขใจที่เกิดจากการให้ก็ต้องให้ทานทำทานแล้วก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแต่ไม่ได้ประกันไม่ให้ไปเกิดในอบายได คนที่ทำบุญทำทานแต่ยังทำบาปอยู่ยังไปอบายได้อยู่คำถามจากคุณวิโรชโชติเวสเรียนถามพระอาจารย์หากดวงจิตไม่รับทั้งดีและไม่ดีชอบปิดวิเวททำถูกต้องไหมครับก็เป็นการปฏิบัติขั้นสูงคือต้องการหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ไม่ต้องการหาความสุขจากการทำความดีไม่ต้องการหาความสุขจากการละการกระทำไม่ดีอันนี้ก็มีการหาความสุขได้สามวิธีด้วยกันหาความสุขด้วยการทำความดีทำบุญต่างๆหาความสุขด้วยละการกระทำบาปและหาความสุขจากการปีกวิเวกเพื่อทำใจให้สงบก็เลือกเอาเป็นวิธีหาความสุข3ามรูปแบบด้วยกัน คำถามจากคุณแอนชัตรพรกราบเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้เจ้าค่ะข้อที่หนึ่งการถวายดอกไม้พระพุทธเป็นอามิษฐบูชาแล้วจาเป็นต้องถวายน้ำไหมคะถูกสอนบอกต่อกันมาก็ถามพระพุทธเจ้าว่าดื่มน้าหรือเปล่าถ้าดื่มก็ควรจะถวายถ้าท่านไม่ดื่มก็ไม่ต้องไปถวายเสียเวลา คำถามข้อที่สองบ้านที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องมีศาลพระภูมิเจ้าที่เตียจุเอะและต้องถวายน้ำหรือไหว้ใ ห, หม่เจ้าคะและได้รับการสอนการบอกเล่าจากพระสงฆ์ด้วยเช่นการไหว้การบวงสรวงเทวดาก่อนทาพิธีที่วัดบางทีก็ทาพิธีเช่นนี้ขอปัญญาที่ถูกต้องด้วยเจ้าคะ่ะขอคำสอนที่เป็นชาวพุทธแท้ด้วยเจ้าคะ่ะ ถ้าเป็นพุทธแท้ก็ไม่มีพิธีกรรมอะไรพุทธแท้นี่มีแต่ปฏิบัติการกระทธรรมทานศีลภาวนาไม่ต้องมีพิธี บ, บวงสวงไม่ต้องมีพิธีอะไรทั้งนั้นคำถามจากคุณเพลินเรียนถามกิเลสประเภทไหนตัดยากที่สุดครับยากทั้งทุกประเภทนะถ้าไม่ตัดมันก็มันก็ยากถ้าตัดมันมันก็ง่ายงั้นอยู่ที่เราจะตัดมันหรือไม่ตัด ตัวไหนที่เราลักมันก็ตัดยากตัวไหนที่เราไม่ลักมันก็ตัดง่ายคำถามจากคุณบุญเสริมขอเรียนถามครับบุญกุศลที่เราทำในชาตินี้สามารถให้ผลในชาตินี้ได้หรือไม่ครับได้ได้ทันทีเนี่ยพอทำบุญป้๊บใจก็เกิดความสุขใจอิ่มใจเกิดบุญขึ้นมาทันทีสามารถอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ บุญทุกชนิดที่เราทำนี้เกิดผลทันทีในใจเราใจเราจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นคําำถามจากคุณนัทวัตรกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าผู้ที่บรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นสกิทาคามีอนาคามีและมีโอกาสเสื่อมไหมครับแล้วถ้ามีโอกาสเสื่อม จะไม่เสื่อมลงไปกว่าขั้นโสดาบันใช่ไหมครับไม่หรอกทุกขั้นนี้จะไม่เสื่อมถ้าได้ขั้นไหนแล้วก็จะอยู่ในขั้นนั้นมีแต่จะขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะขึ้นสูงได้ก็ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นต้องกำจัดกิเลสให้มากขึ้นถึงจะขึ้นได้แต่ไม่มีวันเสื่อมถ้าได้ขั้นไหนแล้วก็จะอยู่ขั้นนั้นไปคำถามจากคุณสนิมกินเหล็กกิเลสกินใจ ขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายทุกจากการมีคู่ครองทุกจากการคลองเรือนด้วยครับผมความทุกข์ที่เกิดจากการมีคู่ครองก็เพราะว่าความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงห่วงใยความทุกข์ที่เกิดจากความหึงหวงความทุกข์ที่เกิดความเสียใจเวลาที่เกิดจากการพัดพลาดจากกันนั่นเอง นี่คือความทุกข์ต่างๆของผู้คองเรือนเพราะมีอะไรแล้วก็จะรักจะหวงจะห่วงจะไม่อยากให้สูญเสียไปแต่พอเกิดการสูญเสียก็จะต้องทุกข์ใจร้องห่มร้องไห้กันเวลาอยู่ก็กักงวลห่วงใยกันเวลาไม่เห็นหน้ากันก็วิตกกังวลขึ้นมาเวลาที่เราไปคิดว่าเขาอาจจะนอกใจเราเราก็จะเสียใจนี่คือความทุกข์ของผู้คองเรือน คำถามจากคุณสันเพชรพระอาจารย์ครับตอนผมใส่บาตรความรู้สึกจืดๆมากครับเห็นสังคมวุ so, ่นวายเป็นธรรมดาไม่ทราบความรู้สึกเช่นนี้เป็นอย่างไรครับก็เราอาจจะทำบุญแบบที่เราไม่ชอบมันก็เลยรู้สึกจืดๆลองไปทำบุญแบบที่เราชอบดูถ้าเราใส่บาตรแล้วก็จืดๆถ้าเราลองเอาไปเอาเงินนี้ไปเลี้ยงคนยากจนดู ช่วยเหลือคนที่ก็ตกทุกข์ได้ยากอาจจะเกิดความรู้สึกมีความสุขมากกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นการทำบุญของแต่ละคนอาจจะต้องเลือกทำทำบุญเพราะแต่ละคนมีความชอบการทำบุญไม่เหมือนกันบางคนเกิดความสุขจากการได้ไปปล่อยนอกปล่อยปลาบางคนเกิดจากความสุขจากการได้ไปซื้อโรงบริจาคให้กับมูนิธิโปเตึง้งอันนี้ก็เลือกทาเอา เพราะว่าแต่ละคนจะเห็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการทําบุญต่างกันนั่นเองถ้าทําบุญใส่บาตรกับพระจะรู้จึกรู้สึกจืดจืดเพราะไม่มั่นใจว่าพระจะกินของของเราหรือเปล่ปาเพราะเห็นคนใส่บาตรเยอะแล้วกินอาหารที่เราถวายท่านท่านอาจจะไม่ได้แตะเลยก็ได้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกจืดจืดชืดชืดเหมือนว่าเราทําแล้วไม่เกิดผลขึ้นมานี้นเราเอาเงินที่เราไปใส่บาตรนี้ลองไปให้ขอทานดูค่ะ รับรองได้ว่าเขาต้องรับอย่างเขาต้องเอาไปใช้เอาไปกินอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่มีอะไรจะกินะพอเราเห็นเขาได้รับความสุขจากการเสียสละของเราเราก็จะรู้สึกมีความสุขมากกว่าการที่เราใส่บาตรก็ได้ดังนั้นก็ขอให้เลือกทำเอาก็แลวกันคำถามจากบนเขาการทำบุญหล่อพระโดยใช้ปัจจัยจำนวนมากๆก ก, กับการนั่งกรรมฐาน แบบไหนได้บุญมากกว่ากาันเจ้าคาคือเป็นบุญคนละอย่างกันอ่ะบุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองเรียกว่าทานบุญที่ไปนั่งกรรมฐ า, านก็เรียกว่าสมาธิมันก็เป็นอาหารแต่อาหารคนละชนิดกันอะงั้นก็แล้วแต่ว่าผู้ที่จะทานั้นมีความสามารถจะทำชนิดไหนก็ทำตามกำลังของเขาไปถ้าเรามีกำลังไปนั่งสมาธิก็ไปนั่งสมาธิ คนที่เขายังไม่มีกําลังไปนั่งสมาธิเขามีเงินจะบริจาคสร้างพุทธพุทธลูปพระพุทธรูปเขาก็บริจาคไปมันก็เป็นอาหารของใจเหมือนกันคําถามจากคุณนันทิดาการปล่อยนกปล่อยปลาจะเป็นบาปไหมคะไม่รู้จะบาปตรงไหนปล่อยให้เขามีอิสระภาพ เหมือนถ้าเราติดคุกติดตารางแล้วเขาปล่อยให้เราออกจากคุกนี้คนที่เขาปล่อยเราเขาทำบาปหรือเปล่าเขาทําให้เราเดือดร้อนเสียหายหรือเปล่าการทําบาปนี่หมายถึงการที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายถึงจะเรียกว่าเป็นการทําบาปเช่นการลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือการทําลายชีวิตทรัพย์สินของผู้อื่นเรียกว่าทําบาปอย่างนี่เราไม่ได้ทําให้เขาเสียหายแต่ทำให้กลับทําให้เขามีความสุขเราเรียกว่าเป็นการทําบุญไม่ใช่เป็นการทําบาป หมดแล้วนะเนอะมีใครอยากจะถามก็ถามได้นะ เ, ออเดี๋ยวจะรอคำถามอีกสักสองสามนาทีถ้าไม่มีก็จะได้ออปล่อยให้กลับบ้านได้การทำบุญทำบาปนี้ท่านมีนิยามความความหมายว่าดังนี้ การทำบุญ ก, ก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษแก่ผู้อื่นและกับผู้กระทำเองเรียกว่าเป็นการทำบุญการทำบาปก็คือการกระทำทางกายทางวาจาหรือทางใจที่ทำให้ผู้อื่นเกิดโทษเกิดโทษแก่ผู้อื่นไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นและกับผู้กระทำเองนี่เรียกว่าบาป การไปฆ่าผู้อื่นนี่ทำให้ผู้อื่นก็าสูญเสียชีวิตทําไปแล้วผู้กระทําเองก็ไม่สบายใจแต่ที่ทําไปเพราะระงับความความอยากทําไม่ได้ในขณะนั้นด้วยอํานาจของความโลภก็ดีด้วยความอํานาจของความโกรธก็ดีก็อาจจะทําให้ไปทําสิ่งที่ต้องมาเสียใจในภายหลังแต่การทําบุญก็ ตรงกันข้ามทำแล้วให้ผู้ที่เราทำด้วยนั้นมีความสุขได้รับประโยชน์จากการกระทำของเราเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจตามมาด้วยงั้นจะดูบุญดูบาปดูที่ตรงนี้แล้วกันาต่อไปมีคำถามจากคุณรัชนีนะคะถ้าพ่อแม่ผิดศีลแล้วเราเตือนลูกจะบาปหรือเปล่าเจ้าคะ ก็ไม่บาปหลอกแต่อาจจะอยู่ที่ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมากกว่าเพราะบางทีพ่อแม่เขาจะไม่ฟังเราเพราะเขาถือว่าเขาเป็นอาจารย์เราก็สอนเรามาตั้งแต่เด็กการจะสอนผู้หลักผู้ใหญ่นี้ก็ต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่สมควรหรือไม่ท่านพร้อมที่จะฟังเราหรือไม่ถ้าท่านไม่ยินดีฟังก็อย่าไปสอนท่านดีกว่าเพราะจะทําให้ท่านเสียใจได้ เพราะจะเหมือนกับว่าเราไม่เคารพท่านไปสั่งสอนผู้หลักผู้ใหญ่เห็นต้องดูว่าท่านเป็นมีความยินดีที่จะรับคำสอนของเราหรือไม่ถ้าท่านไม่ยินดีก็อย่าไปสอนดีกว่าเพราะเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราเห็นถ้าเรารู้ว่าไม่ดีท่านก็รู้มาก่อนเราอย่างั้นการที่ท่านยังทำอยู่ก็เพราะท่านยังหักข้ามจิตใจของท่านไม่ได้มากกว่า ถ้าท่านไม่ถามเราก็ไม่ต้องสอนถ้าท่านถามก็สอนได้คำ ถ, ถามจากคุณ น, นงลักษณ์ศักชยัยนั่งสมาธิยังไม่เคยพบกับความสงบมีเพียงพุทโธพอเผลอไปนึกคิดก็ดึงกลับมาได้เพียงเท่านี้ต้องพัฒนาอย่างไรเจ้าคะก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆการนั่งสมาธิเหมือนการปลูกต้นไม้ ไม่ใช่นั่งปุ๊บดอกไม้ต้นไม้จะโตขึ้นมาออกดอกออกผลขึ้นมาพอปลูกต้นไม้มันก็ต้องคอยหมันดูแลรักษาต้นไม้คอยรดน้ำพรวนดินไปเรื่อยๆใช้เวลามากกว่าต้นไม้จะโตแล้วออกดอกออกผลขึ้นมาได้ยั่นเมื่อเรานั่งสมาธิเราก็ต้องใจเย็นพยายามพุโทโธพุโทโธไปควบคุมใจอย่าให้คิดไปเรื่อ ย, อยแล้ววันดีคืนดีมันก็จะ ปรากฏผลขึ้นมาเองมีคําถามจากคุณกนกวานสวนดีกราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วรวมจิตที่หน้าผากจะรู้สึกเหมือนไฟดูที่หน้าผากต้องทําอย่างไรต่อไปคะ อ, อ๋อไม่ควรจะไปดูที่หน้าผากนั่งสมาธิต้องดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องอ่ะ ให้รู้ว่าลมเข้าลมออกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกถ้าไม่ดูลมก็ให้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วก็จะไม่มีปัญหาอย่างที่แจ้งมาจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปคำถามจากคุณไพฑูรยเพชรแก้วกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับการเดินจงกรมที่ถูกต้องมีหลักปฏิบัติอย่างไร การเดินจงกรมก็เป็นการเดินเจริญสตินั่นเองนี่คือหลักของการเดินจงกรมให้จิตมีอะไรควบคุมใจตลอดเวลาเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดินไปก็พุทโธพุทโธไปเดินจะเดินช้าเดินเร็วก็ได้เดินสั้นเดินยาวก็ได้อันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่แต่ตัวที่สาคัญที่สุดก็คือการเจริญสติในขณะที่เราเดิน อ, อย่าเดินแบบใจลอยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปหรือให้อยู่กับการก้าวเท้าไปก็ได้ถ้าใช้การดูเท้าก็ว่าไปในใจว่าซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าไม่ใช้การดูเท้าก็ใช้คํา บ, บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแต่อย่าให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าเดินเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจคิดรื่อยเปื่อยถ้าแบบนั้นก็เหมือนกับไปเดินชอปปิง้งไม่ได้ประโยชน์อะไร คำถามจากคุณอภิชาติศรีภูวงศ์กราบนมัสการพระอาจารย์การเจริญสติเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความเจริญในสติแล้วผมทำสติตลอดการในระหว่างวันถูกไหมครับแล้วเวลาก่อนนอนก็จเจริญภาวนาต่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่การมีสติไม่มีสติเราจะรู้ว่า ถ้าใจเราอยู่ในปัจจุบันก็แสดงว่าเรามีสติถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงอดีตเมื่อวานี้ไม่ไปคิดถึงอนาคตพรุ่งนี้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายหรืออยู่กับพุทโธพุทโธไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าเรามีสติส่วนการกระทำสตินี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทาตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับเรื่องงานเรื่องการแล้วก็ ให้มีสติอยู่กับความคิดกับเรื่องงานเรื่องการพอเสร็จงานแล้วก็อย่าคิดถึงเรื่องงานต่อไปมาหยุดความคิดต่อไปพอเวลาจะนอนก็นั่นนงสมาธิพุทโธพุทโธไปแล้วก็เข้านอนไปปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปสติก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะนั่งสมาธิเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณสุดทางรักสุดทางแล้ว ขอถามพระอาจารย์ครับก่อนนอนผมจะเปิดฟังพระเทศแต่ผมหลับตลอดเลยครับจะได้บุญไหมครับไม่หรอกก็ได้ยานอนหลับคันถามจากคุณปาปโมโนชานสัญญาจะดับได้อย่างไรครับ อ, อ๋อสัญญานี้ถ้าจะดับก็ต้องมีสติที่เต็มร้อยต้องเข้าสู่นิโรธสมาบัติเ ท, ท่านั้นถึงจะ หยุดสัญญาได้ชื่อข่าวสัญญาเวดิตะนิโรธสมาบัติคือการหยุดของสัญญาและเวทนาต้องใช้สติที่มีกำลังมากคำถามจากคุณยินยินศีลแปดทำที่บ้านได้หรือไม่คะโดยไม่ต้องไปที่วดัดก่อนจริงศีลแปนี้รักษาที่ไหนก็ได้แต่มันจะง่ายหรือยาก ท่านั้นถ้าอยู่ที่สถานที่ที่ไม่เอือ้อมันก็จะยากถ้าอยู่ที่สถานที่ที่มันเอือ้อต่อการรักษามันก็จะง่ายถ้าที่บ้านเราอยู่คนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราอยู่กันหลายคนแล้วคนอื่นก็ไม่รักษาศีลแปดก็อาจจะลำบากเพราะเขาจะทำในสิ่งที่เราไม่ทำนั้นพอเราเห็นเขาทำเราก็อาจจะเกิดความอยากทำขึ้นมาก็จะทาให้เราอาจจะไม่สามารถรักษาศีลได้ มันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราอยู่คนเดียวแรืวอยู่หลายๆคนถ้าอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าอยู่หลายๆคนอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีเหมือนแม้แต่อยู่ไปอยู่วัดถ้าไปอยู่ร่วมกันไปคุกคีกันอยู่ใกล้ชิดกันมันก็ไม่ดีรักษาศีลนปดให้ดีต้องอยู่คนเดียวเพื่อจะได้เจริญสติคอยควบคุมความคิดความอยากแล้วจะทําให้ไม่ละเมิดไม่มีความอยากที่จะไปละเมิดศิ้นแปดได้ มีคำถามจากคุณประกายจิตศีราจากกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคนทำสมาธิแบบโพเมทัสเขาบอกสามารถเจกเงินได้อันนี้เป็นสมาธิแบบไหนเจ้าคะกราบสาธุเจ้าค่ะก็แบบของเขาต้องไปถามเขาดูไม่ไม่ได้แบบของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิเพื่อผลิตเงินทองขึ้นมา ันถามจากคุณสุขสารถ้าอยากบวชแต่ยังมีคุณแม่ต้องเลี้ยงทำอย่างไรดีครับเอาแม่ไปบวช ด, ด้วยก็เลี้ยงได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ห้ามให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เวลาบวชสามารถเก็บอาหารที่ได้จากบิณฑบาตไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้อยู่บวชได้เลยก็พอสมควรแก่เวลา